พระผู้มีพระภาคเจ้าเน่ยนะเมื่อพระองค์ประทับอยู่ที่ตําบลขยาศรรีสะตําบลขยาศีสะก็คือสถานที่ที่พระองค์แสดงอธิตประ ย, ยสูตรพระองค์ก็ประทับอยู่ที่นั่นตามพุท ธ, ธาพิรมตามความยินดีของพระองค์นะคำว่าพุท ธ, ธพิรม์เนี่ยหมายคําว่าพระองค์อยู่ณที่ใดแล้วก็โปรดสงเคราะห์อนุเคราะห์หมู่มวลเวนัยศัตว์ได้พระองค์ก็ประทับอยู่ที่นั่น เมื่อเสร็จกิจในการสงเคราะห์บุคคลชุมชนที่นั้นแล้วพระองค์งก็จะเสด็จจาริกต่อไปจาริกไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สรรทั้งหลายาพระองค์งก็จาริกไปโดยหนทางจะไปสู่พระนครราชครือพระนครราชครือ ก, ก็จากแถวแถวขยาศีสะไปราชครึอ ก, ก็ประมาณร้อกิโลเมตรเนี่ยนะไม่ไม่ไกลเท่าไหร่พระองค์งก็เสด็จไปพร้อมด้วยภิกษุสงหมู่ใหญ่จานวนพันรูปล้วนแต่เป็นปุราณชิน เสด็จจาดิษโดยลำดับถึงพระนครราชครือแล้วทราบว่าพระองค์ประทับอยู่ใต้ต้นไทรชื่อว่าสุประดิตเนี่ยนะสุประดิตก็เป็นต้นทรที่มีร่มเงาร่มเย็นมากต้นทรายต้นนี้เขาเรียกว่าเป็นเจดีเป็นต้นไทรที่เครารพสักการะของหมู่ชนอยู่ในสวนตาลหนุ่มเขตพระนครราชครือ ก, ก็ไม่ไกลาจากไม่ห่างจากพระนครราชครือไปเท่าไหร่ พระเจ้าพิมพิสารจอมเสนามคตราชได้ทรงสดับข่าวถนัดแน่ว่าพระสมณโคโดมศักยบุตรผนวดจากศักยะตระกูลสเสด็จถึงพระนครราชครึกโดยลำดับประทับอยู่ใต้ต้นไสรชื่อว่าสุประดิษเจดี JD ในสวนตานหนุ่มเขตพระนครราชครึกนะนเสร็จแล้วก็ตอนแรกนี่ก็เป็นเจ้าชายองค์หนึ่งเป็นนักบวชหนุ่มนะที่มาครั้งแรกเมื่อเจปีก่อนเนี่ยนะเมื่อเจปีก่อนนี่ก็เป็นเพิ่งบวชสดๆเลยนะ เพิ่งบวชวันเดียวด้วยซ้ำไปเพิ่งบวชบวชเจ็ดวันนี่นะบวชเจ็ดวันนี้เข้ามาที่นั่นบัดนี้เจ็ดปีผ่านไปเนี่ยมาในฐานะพระพุทธเจ้า ว, ว่ากิตติสัทโทปุคโตเนี่ยนะก็คือเอวัง e ก no ัลลยาโนกิตติสัทโทปุคโตก็คือก็แลกกิตติสัพันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้าหรือของพระโคดมพระองค์นั้นขจรไปแล้วอย่างนี้ว่า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 แม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้สาธาเทวมนุษย์สานังพระองค์เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระองค์เป็นพุทโธคือเป็นพระพุทธเจ้าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระองค์เป็นพักวะก็คือผู้จำแนกแจกแจงพระธรรมรัตนะเป็นต้นนั่นแหละพระองค์นั้นเนี่ยนะทรงทำโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกให้แจ้งชัดด้วยพระปัญญาอันยิ่งแล้ว หมายก็ว่าปัญญาของพระองค์เนี่ยรู้แจ้งโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกให้แจ้งชัดเนี่ยนะเสร็จแล้วพระองค์รู้แจ้งอย่างนั้นแล้วเนี่ยนะพระองค์ก็ยังสอนหมูสัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ให้รู้เมื่อรู้แจ้งแล้วก็ไม่เก็บเอาความรู้ไว้แต่เพียงลําพังพระองค์เดียวพระองค์ก็ยังสอนมวลเวนัยศาสตร์ทั้งหลายด้วยใจอนุเคราะห์พระองค์ก็สั่งสอนแสดงธรรมเนี่ยนะแสดงอริยศาสตจธรรมเป็นต้นเนี่ย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 พระเจ้าพิมพิสารนิคงระลึกได้ว่าเคยอาราธนานิมนต์พระพุทธเจ้า ว, ว่าถ้าตรัสรู้แล้วให้เสด็จมาโปรดในแว่นแควนของพระองค์กรในจริงแล้วแถวแถวตำบลอุรุเวลาเสนานิคมแถวพุทธคยาจริงๆก็ยังอยู่ในเขตถือว่าอยู่ในแคว้นมคดอยู่นะอยู่ในแคว้นมคดอยู่เพราะว่าแคว้นมคดเนี่ยถือว่าเป็นแขวนใหญ่มากสมัยนี้คือรัฐพิหาร น, นั่นแหละรัฐพิหารก็เป็นรัฐที่ใหญ่สมัยใหม่เขาเรียกว่ารัฐพิหารก็คือรัฐวิหารวิหารก็แปลว่าวัดนั่นแหละ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 ประเมินก็บอกมาม า, ม า, มาที่ไปไปไปบ้านเมืองใครก็ไปเที่ยวแต่สลัมเขาก็นึกว่าเขาจนเหลือเกินเนี่ยไม่เห็นแต่สลัมมาก็เลยดูถูกดูแคลนเขาเนี่ยนะจริงเออเนี่ยนะใครดูถูกใครไว้มากคนนั้นเลยจะเป็นเช่นนั้นแหละเอาสิ่งที่เราจะเห็นนี่แหละคือสิ่งที่เราจะเป็นถ้าทําบุญไว้ไม่ดีจะไปไหนมันก็วนๆนี่นะระบบไหลเวียนใช่วะะัดตามก็แปลว่าไหลเวียนเวียนจากภบหนึ่งสู่ภบหนึ่งใครจะรู้ว่าว น, นั่นนะต้นตระกูลของเราอ่ะนะ นามสกุลนาหน้าก็อาจจะสายพันธุ์เหล่านั้นก็ได้ถ้าหากว่าไม่มีคุณธรรมที่จะนําออกจากวัตตะเจริญมานะไว้ให้มากมากเลยจะไปไหนมานะมากๆเนี่ยนะกับอะไรนะตรนี่มากๆมานะมากๆที่สุดจะไปไหนนั่นแหละต้นตระกูลเราเนี่ยนะลูกหลานอนันทเศษถีอนันทเษถีเนี่ยอีกชาติหนึ่งเป็นยังไงนะทุกยากมากก็ไปในตอนนี้ก็เป็นอย่างนั้นนะนะก็ไปแล้วก็ถ้าคิดนะถ้าใครไปอินเดียแล้วไม่คิดจะอยากเห็นอริยสัจของมาว่ามันเกินไป เพราะอะไรดูไมเพราะมันน่าจะออกเลือกเกินเนี่ยวัตตาไม่น่าอยู่แต่เชื่อไหมถ้าอยู่ไปนานๆแนละ้วอาหารมันก็อร่อยอะไรมันก็ดีอุย้ยผักก็กรอบนะเอ๊มมันก็ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่เราคิดนะก็เลยอยู่ได้เลยก็นี่ตกลงวัตตาก็ยังรื่นเริงเสมออะไรนะยังยั ง, ยงน่ารื่นรมอยู่เสมอว่า ง, งั้นเนี่ยที่สุดก็จะไปนะกวนๆอยู่แถวนี้แหละอาหารดีอร่อ ย, อ ร, อ, ยอร่อยนะันะโอ้ตอนแรกว่าโอ๊ยแล้ท่านจะไปทานอาหารเขาได้เลยว่า ง, งั้นโอ้ย ก, ก็ถ้ามีอาหารแขกอาหารไทยเรือกอนไหนก่อนคงเรื่องอาหารแขกก่อนเตอนแรกบอกโอ้ยขาดขาดอาหารบ้านเราได้หรือตอนหลังบอกโอ้ยอาหารบ้านเราไม่ไม่เอาได้ไหมก็เป็นอย่างนง้นนะย้อนกลับมานะว่าการที่เขาเชื่อว่าการพบเห็นผ้าอาหารหันเนี่ยเป็นความดี่จริงช่วงนี้ก็ที่อยากบรรยายเรื่องนี้เหตุผลหนึ่งก็เพราะว่าจะไปแล้ววันที่11นี้ก็จะไปละ ก็จะได้อะไรนะทบทวนซะก่อนแล้วค่อยไปอย่างง้ยนะทบทวนคนเดียวว่าเหงาชวนคนอื่นมาทบทวนด้วยนนะก็เลยเรียนพุทธวงศ์ให้มันเยอะๆก่อนเนะเดี๋ยวก็ไปละหลังจากนั้นเนี่ยนะพระเจ้าพิมพิสารจอมเสนามาคตรราช สรงแวดล้อมด้วยพราหม์คฤหาบดีชาวมคต12บหนหุตหนหุ ด, หดละหมื่นก็ประมาณแสนสองเนี่ยนะเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นเข้าไปถึงแล้วก็ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งหน้าที่กวนส่วนข้างหนึ่งส่วนพราหมณ์ครืหาบดีชาวมคต12บหนหุตนั่นแหละสิหนหุดสิบสองหมื่นเนี่ยนะแสนสองเหล่านี้ก็บางพวกก็ทูลปราศัยกับพระผู้มีพระภาคเจ้า ครั้นผ่านการทูลปราสายพอให้บันเทิงเนี่ยนะสัมโมชนิยัคถาสารานิยัคขาก็คือพูดให้มันเขาพูดแล้วทุกคนทั้งฝ่ายพูดและฝ่ายฟังก็สบายใจเขาเรียกว่าสัมโมชนิยัคขาสารานิยคาก็คือคำพูดที่ทำให้ระลึกถึงความหลังของกันและกันด้วยอะไรนะด้วยมิตรภาพะนะเราลึกถึงความหลังที่ที่เคยอะไร คือคอระลึกถึงแต่คุณงามความดีของอีกฝ่ายหนึ่งะนะแล้วก็เจอหน้ากันก็บันเทิงร่วมกันแล้วก็พูดถึงพูดกะ ก, กันและกันด้วยถ้อยคําที่ระลึกถึงกระหว่าพูดก็มีความสุขระลึกถึงก็เป็นเป็นสุขกระหว่าสรรหาแต่เรื่องสบายใจมาคุยกันเหมือนกันอันนี้พวกที่หนึ่งนะแล้วก็คุยเสร็จก็นั่งลงอีกพวกหนึ่งก็มาถึงก็ประคอยกมืออัญเชลีทางพระผู้มีพระภาคเจ้ายกมือไหว้ะนะยกไหว้ไม่ไหว้ไม่รู้แหละเสร็จแล้วก็นั่งลงไอเหตุผลที่บอกว่าทำไมยกมือไหว้ ก็ถ้าไม่ไว่ายเดี๋ยวเขาจะว่าเอาอกลัวว่าเดี๋ยวพวกสัมมาทิฏฐิบอกทําไมท่านไม่ว่ายอ้าวยกมือไม่ใช่ว่ายเหรอก็เดี๋ยวพวกมิจฉาทิฏฐิก็บอกอา้าวทำไมท่านไปไว่ายอ้ายกมือก็อยังเรีย ก, กว่าว่ายอีกหรือเราะนี่ก็ถูกทั้งขึ้นทั้งร่องว่างั้นเลยเรียกว่าเป็นพวกพวกอะไรนะพวกกลุ่มค่อนข้างกระล่อนมา่ลยนะก็ยกมือเนี่ยบอกโอ้ยกเออไมท่านไม่ไว่ายเอายกมือไม่ใช่ว่ายเหรออ้อาวทาไมท่านว่ายถ้ามิจฉาทิฏฐิเขาทวงอ้าวยกมือก็เรียกว่าว่ายด้วยหรอ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 ครั้งนั้นพราหมณ์เครือาบดีชาวมคต12นหุตก็ได้มีความคิดว่าพระมหาสมณะประพฤติพรหมจ ร, รรย์ในท่านอุรุเวลกัสสปะหรือว่าท่านอุรุเวลกัสสปะประพฤติพรหมจ ร, รรย์ในพระมหาสมณะใครสิทธิ์ใครใครอาจารย์กันแน่ฟังแล้วงงเพราะว่าพระมหาสมณะเป็นนักบวชหนุ่มมาใหม่ใช่ไหมฟังดูน่าจะว่าคนใหม่จะต้องมาเป็นลูกศิษย์ของคนเก่าใช่ไหมเออเอาอีกทีเอดูเหมือน้คนเก่าเป็นลูกศิษย์ของคนใหม่ใครเป็นใครกันแน่เลยงงละ ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทราบความคิดของพราหมณ์ขึ้นหาบดีชาวมาคต12นหุตนั้นด้วยพระไถยของพระองค์ก็ตรัสกับท่านพระอุรุเวละกะสปะด้วยคาถาดังนี้ว่าดูก่อนท่านผู้อยู่อุรุเวลามานานจริงๆเนี่ยอุรุเวลาเนี่ยอุรุเวละกะสปะก็มาจากจริงๆอะท่านชื่อกะสปะโคตเนี่ยนะแต่เชื่อว่าอุรุเวลาก็คือชาวอุรุเวลาเนี่ยนะก็คืออยู่ที่นั่นมานานแล้ว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 การบูชาทั้งหลายเนี่ยบูชาเพื่ออะไรก็ยกย่องรูปแต่ว่าคนบูชาอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมก็เหมือนกับว่าไปไหว้าสารพระภูมิไหว้เจ้าพ่อไหว้เจ้าแม่ไหว้าสารโน้นศารนี้ที่นั่นที่นี่ไหว้เพื่ออะไรเพื่อขอขออะไรก็ขอรูปขอเสียงขอรถที่น่าปรารถนาะถ้าผู้ชายไหว้ก็ขอสตรีเพิ่มอีกหน่อยเหมืนเพราะฉะนั้นก็มีอยู่เท่านี้แล้วก็ยกย่องรูปยกย่องเสียงยกย่องรถที่น่าปรารถนาะยกย่องสตรีทั้งหลาย ข้าพระพุทธเจ้ารู้ว่านั่นเป็นความเศร้ามองในอุปธินี่นะนั่นเป็นความเศร้ามองนั่นเป็นมลทินในขันห้าถือว่าเป็นความเศร้ามองในขันห้าทั้งหลายเพราะฉะนั้นจึงไม่ยินดีการเส้นสวงคือการบูชาแบบนั้นทั้งบูชาแบบเล็กบูชาเล็กบูชาน้อยบูชาใหญ่บูชาขนาดไหนก็ช่างเถอะการบูชาพะบูชาเสร็จบูชาไฟเพื่ออะไรบูชาน้าบูชาลมบูชาไฟบูชาด้วยการชำระอาบน้ำล้างบาปเป็นต้น ก็เพื่ออะไรก็เพื่อรูปสวยๆเพื่อเสียงเพราะๆเพื่อกลิ่นหอมๆเพื่อรสอร่อยๆเพื่อสตรีทั้งหลายเป็นต้นนั่นแหละเพราะสิ่งที่ที่ทำเนี่ยนะก็ปรารนาวัตต์ก็เป็นการทําเพื่อวัตต์เป็นการทําเพื่ออุปธิอุปธิปแปล ว, ว่าทรงไว้ซึ่งทุกข์ก็เป็นการยังสแสวงหาทุกข์อยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นก็คิดว่าการบูชาเหล่านี้เป็นสะพานเชื่อมต่อไปสู่สังสารทุกข์พอเห็นเหตุเหล่านี้ก็เลยเลิกบูชาเหมือนน พระผู้มีพระภาคเจ้าก็แั่ถามมาดูก่อนกัสสปะก็ใจของท่านไม่ยินดีในอารมณ์คือรูปเสียงกลิ่นรสเหล่านั้นดูก่อนกัสสปะเมื่อเป็นเช่นนั้นใจของท่านยินดีในสิ่งไรเล่าในโลกพร้อมทั้งเทวโลกขอท่านจงบอกเนี้ยความนี้แกเราเอารูปท่านก็ไม่ต้องการเสียงท่านก็ไม่ต้องการรสอร่อยท่านก็ไม่ต้องการแต่จริงถ้าให้เต็มผู้ตามคําของพร ะ, ก, ะ, ะกัสสปะก็บอกสตรีท่านก็ไม่ต้องการแล้วอ่ะสรุปในโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกแล้วท่านต้องการอะไร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 ขอความช่วยเหลือจากลมขอความช่วยเหลือจากเนยใสเนยข้นจากเชื้อเพลิงทั้งหลายคิดว่าสิ่งเหล่านี้จะให้รูปสวยๆเสียงเพราะๆกลิ่นห้อมๆรสอร่อยๆจะได้สตรีอย่างที่ตัวเองต้องการเพราะฉะนั้นเมื่อได้พระนิพพานแล้วก็ไม่รู้จะทำอย่างนั้นไปทำไมว่างั้นก็เลยเลิกจริงก็ตอบง่ายว่ก็เป็นธาตหันแล้วก็เลยเลิกว่างั้น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 พระองค์สอนเลยเรียกว่าพุทธาสาวกก็คือผู้ที่เห็นอริยสัจตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วท่าในที่อื่นเนี่ยนะในอัตถกาถาทั่วไปจะบอกว่าเมื่อท่านกล่าวเช่นนั้นเสร็จแล้วท่านก็เหาะขึ้นไปชั่วลําตาลแล้วก็ลงมากราบแล้วก็เหาะขึ้นไปสองชั่วลําตาลแล้วก็ลงมากราบ3ชั่วลําตาลแล้วก็ลงมากราบเหาะไปสี่ชั่วลําตาห้ชั่วลําตาหกชั่วลําตาล7ดชั่วลําตาเนี่ยนะ ก็ลำตาลหนึ่งก็ประมาณ10เมตรเนี่ยนะก็ชั่วลําตาลหนึ่งก็10เมตรสิเมตรก็2ี่องกันนะก็สูงเหมือนกันนะก็เหาะไปโน่นแหละประมาณร้อเมตร150เมตรแล้วก็ลงมากราบเนี่ยนะเพื่อที่จะกล่าวถึงความอัศจรรย์แห่งการเจริญศีกขาตามที่พระพุทธเจ้าสอนลําดับนั้นพรามหมณ์ครหบดีชาวมคธทั้ง12นะหนุ่นั้นก็ได้มีความเข้าใจว่าท่านอุรุเวลกัสปะประพฤตพรหมจรรย์ในพระมหาสมนะัมมณะ ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบความปริวิตรกแห่งจิตของพราหมณ์เครืหาบดีชาวมคธทั้ง12บหุต ด, ด้วยพระไถยของพระองค์แล้วก็แสดงอนุปุพพิคถาที่จริงก็มีเรื่องอยู่ว่าก็กมีสนทนาการว่าโอ้โหอุรุเวลกัส ป, ปะเนี่ยนะเป็นเจ้าทิฐิเจ้ามานะนี่ไม่ใช่เป็นคนธรรมดาเลยนะไม่ใช่ว่าใครจะไปโปรดง่ายสงเคราะห์ ง, ง่ายพระองค์ก็เลยถามว่าเออสนทนาอะไรกันบอกเนี่ยสนทนาว่าไม่ใช่ว่าใครจะไปเปลี่ยนความคิด ลัทธิของอุรุเวละกะสัส ป, ปะได้นะพระองค์ก็บอกว่าพระองค์เนี่ยเปลี่ยนลัทธิทิฐิของอุรุเวละกะสัส ป, ปะมิใช่แต่ในชาตินี้เท่านั้นก็เลยสอบถามว่าอ้าวอาดีตชาติพระองค์ก็เคยสงเคราะห์อุรุเวละกะสัส ป, ปะมาแล้วพระองค์ก็แสดงพรมนารทกะสัส ป, ปะชาดกว่าสมัยที่พระองค์เป็นพรมเนี่ยนะพระองค์ก็เคยสงเคราะห์อุรุเวละกะสัส ป, ปะซึ่งเขามีทิฐิชั่วไม่ใช่เพียงแต่ชาตินี้อดีตชาติเขาก็เคยเป็น เจ้าทิฐิมาแล้วเนี่ยนะก็เนื่องจากไปครบอะไรคู่นาชีวกกับสปะโคดเนี่ยนะก็เป็นนับถือนัก บ, บวชนุ่งลมห่มอากาศกลายเป็นเจ้าลทัทธิเจ้าทิฐิแม้กระทั่งพระนางรุจาราชธิดาเนี่ยนะก็สงเคราะห์ให้สงเคราะห์ไม่ได้ทั้งๆ ท, ที่ระลึกชาติได้เล่าชาติหลังให้ฟังทั้งหมดก็แก้ไขมิจฉาทิฐิไม่ได้จนพรมเนี่ยลงมาแสดงลงมาแสดงว่าพรมมีจริงเป็นต้นเนี่ยนะพระราชาเขบอกว่าท่านกษัตริยเออเขาก็พูดว่า เพื่อกับพรมนารถากัษบะเนี่ยนะว่าถ้าหากว่าชาติหน้ามีจริงนะชาตินี้ขอกู้หน่อยสิกู้สักพันหนึ่งชาติหน้าใช้ใคืนแสนหนึ่งเลยงนั้นก็บอกว่าโอ้นี่ถ้าพระองค์คนดีก็จะให้กู้อยู่หรอกแต่นี่แหมชาติหน้าท่าท่านจะตกนรกไม่รู้จะไปร้องเรียกเอาคืนจากใครเนี่ยนะเสร็จแล้วพระองค์ก็ในที่สุดพระองค์ก็แสดงธรรมะให้ฟังนะก็เปลี่ยนจากลัทธิมิจฉาทิฐิก็กลายมาเป็นคนดีก็จะให้ทานรักษาศีลเป็นต้น พรนองก็เล่าให้ฟังเสร็จแล้วพระองค์ก็แสดงถึงข้อปฏิบัติที่เปรียบเหมือนรถเนี่ยนะเปรียบเหมือนรถแสดงรรมจบการแสดงเหล่านั้นเนี่ยนะก็เป็นการแสดงทั้งทานศีล ส, สวรรค์โทษความเศร้าหมองของกามทั้งหลายและอ น, นิสงฆ์แห่งเนกขมมะนั้นพรหมนารถากัสปชาดกนั้นถือว่าเป็นธรรมะที่แสดงทั้งอัสาธาอาทีนวะและนิสรณะเพราะตอนท้ายเนี่ยประกาศอริยสัจธรรมที่ประกาศอริยมรรคทั้งหลา ย, ท, ลายที่เป็นข้อปฏิบัติอีกวิธีหนึ่ง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 ก็เกิดขึ้นแก่พราหมณ์คริหาบดีชาวมาคธสิดหน้หุตมีพระเจ้าพิมพ์พิสารเป็นประมุกณที่นั่งนั่นแลโดดผ้าที่สะอาดปราศจากมลทินควรได้รับน้ําย้อมเป็นอย่างดีฉะนั้นพราหมณ์ครหาบดีอีกหนึ่งหหุตก็แสดงตนเป็นอุบาศกเนี่ย น, นะบรรลุตั้ง1น0 0 0 0สนหน่งเนี่ย น, นะพวกเราหายหน้าหายตาไปไหนเขาประชุมกันตั้งมากมายขนาดนั้นเนี่ยนะไม่ไปอยู่ร่วมกับเขาเลยนะยิ่งเล็กนะไปทาอะไรอยู่ตอนนั้น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 พระศาสดาอีกต่อไปได้ทูลพระวาจานี้ต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าเล่าให้ฟังว่าตัวเองเนี่ยมีความในใจคิดไว้ห้าอย่างว่าครั้งก่อนเนี่ยเมื่อม่อมฉันยังเป็นราชกุมารได้มีความปรารถนาไว้ห้าอย่างบัดนี้ความปรารถนาห้าอย่างของหมอมฉันสําเร็จแล้วเนี่นะเขาปรารถนาอะไรบ้างเนี่ยนะราชกุมารหนุ่มเนี่ยนะเขาพระเจ้าพิมพิสาเนี่ยพิมพีเนี่ยเป็นขึ้อาประดุจทองเนี่ยพิมพ์พิสาก็คือเป็นผู้ที่มีรูปงามมากเลยเนะ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 สมบูรณ์อานายาราสิทธิราชเนี่ยเรียกว่าอำนาจอยู่ที่พระราชาแต่พระองค์เดียวเนี่ยนะข้อที่2ข้าพระองค์ได้ตั้งความปรารถนาไว้ว่าขอพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพ่งเสด็จมาสู่แว่นแขวนของหม่อมชั้นนี้เป็นความปรารถนาของหม่อมชั้นประการที่สองบัดนี้ความปรารถนานั้นของหม่อมชั้นก็สําเร็จแล้วพระพุทธเจ้าข้าคือบ้านเมืองใดเนี่ยนะที่ปรารถนาความสงบร่มเย็นบ้านเมืองนั้นจําต้องปรารถนา ผ้าอรหันต์ทั้งหลายเพราะประชาชนทั้งหลายถ้าไม่ได้ฟังถ้อยคําของผ้าอรหันต์ทั้งหลายประชาชนจะคิดอะไรเนี่ยนีก็จะจิตใจก็เป็นไปกับอกุศลกรรมบดทั้งหลายเพราะฉะนั้นถ้ามีผ้าอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยนะเสด็จมาในเว่นเคว้นประชาชนทั้งหลายบ้านเมืองนี่สงบร่มเย็นแน่เพราะว่าบ้านเมืองเหล่าใดที่ประชาชนอยู่โดยธรรมยิ่งประชาชนที่ประพฤติกุศลกรรมมาบดประชาชนที่บรรลุธรรมจากคําสอนของพระพุทธเจ้า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 ข้อนี้ความปรารถนาก็สำเร็จเพราะหม่อมชันก็ได้เข้ามาเฝ้าพระ อ, องค์แล้วในบัดนี้ว่า